สำเนินใหม่ทุกรูปที่มาร่วมเข้าบรรพชาในงานนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส <c oughs> สำคัญนะในการมาสร้างบุญกุศลสร้างชีวิตใหม่สร้างอนาคตใหม่เพราะเราทุกคนเตรียมตัวมาด้วยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ถือว่าเป็นตัวแทนของเยาวชนทั่วประเทศเนะยาวชนทั่วประเทศนี่อาจจะมีหลายล้านคนแต่ว่าที่มาบวที่นี่ก็ไม่ถึงร้อยคนดังนั้นเราจะมีโอกาสดีกว่าร้อยคน ด, ดีโอกาสดีโอกาสดีกว่าเป็นละล้านคนที่มาเนี่ยดังนั้นเราต้องทำให้ได้แล้วก็ถือว่ามาเป็นการ <c oughs> สั่งสมสั่งสมสิ่งที่เป็นทรัพย์หรืออาเลียทรัพย์ที่เรามาทุกคนในอว่ามาหาทรัพย์นะไม่ได้มาเล่นมาหาทรัพย์ทรัพย์อะไรเขาเรียกาอาเลยทรัพยนะ์ฉะนั้นถ้าเราไปหาเงินกวาจะหาได้เนี่ยเราต้องใช้เวลานานนะต้องเรียนหนังสือกวาจะจบกว่าสิบกว่าปี เรียนหนงสือจบแล้วก็ต้องไปหางานบางคนก็ไปได้งานบางคนก็เรียนไม่จบหางานได้งานแล้วก็ไปอ่าถึงจะได้หาเงินเป็นนะเป็นสิบกว่าปีอ่ะก็เราจะหาเงินเป็นหรือบางทีคนไม่เรียนก็หาเงินเป็นเหมือนกันแต่ว่าหาได้น้อยแต่คนที่เรียนหนงสือจบนี่หาเงินได้ง่ายเพราะว่าวิจักวิธีมาที่นี่เหมือนกันนอกจากเรามาหา อริยทรัพย์เรามาหาวิธีการที่จะได้อริยทรัพย์อริยทรัพย์คืออะไรรู้จักไหมพกรพทระซับรู้จักใช่ไหโพกทรัยพย์คือเข้าของเงินทองนี่วราก็พกกรัพย์แต่ถ้าอริยทรัพย์นี่ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาขันติแล้วก็หูสัจจะมีการได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังมาก จาคะก็คือการเสียสละมีเฮริโอตปะพวกนี้นะถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่เราสังสมว่าอะไรก็ตามมาที่ดีๆเป็นอริยศรัพย์ทั้งนั้นดัง น, นั้นให้เราตั้งใจหากันที่นี้สําเร็จทุกคนที่มาบวชเนี่ยก็มาก็เรียกว่ามาจากต่างที่ดังทิน นะต้องพัดพลาดจากพ่อจากแม่บางคนก็เรียกว่าต้องพ่อแม่เนี่ยพยายามไม่มาพัดพลาดจากบ้านจากเรือนพัดพลาดจากของที่เราเคยอยู่นะเราฝึกการพัดพลาดนะเช่นเราได้กินอาหารดีๆอาหารสนุกปากได้อยู่บ้านดีๆได้ฟังได้ยินได้เล่นสนุกไปวันๆทั้นงนั้นในโอกาสโรงเรียนปิดเนี่ยคน เยาวชนชนใหญ่ก็เรียกว่าไปเที่ยวสนุกสนานกันยิงนกตกปลาเที่ยวห้างเที่ยวร้านไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้อันนั้นเป็นการไม่ได้สแสวงหาทรัพนะเป็นการสูญเสียทรัพทั้งภายนอกภายในแต่เรานี่เป็นคนมีบุญนะฉลาดเราต้องมาสแสวงหาอารียทรัพย์เราสละอะไรบ้างที่มาเนี่ยสละบ้านสละเรือน สละพ่อแม่ชั่วคราวสละความสนุกสนานชั่วคราวสละความโอกาสที่จะไปเล่นตรงนี้ไปเรียนตรงนี้ชั่วคราวแต่เราไม่ได้โอกาสใหม่นะเหมือนกับเอาไอ้เหล็กไปแลกเอาทองคาที่เรามาเอานี่มามาแลกเอาทองคานะนะหรือเอาตะกั่วมาแลกทองคามีค่ากว่า ดังนั้นมาแล้วก็ต้องตั้งใจนะที่เราสละมาหลายอย่างนี่ถือว่าลงทุนการสละเรานั้นคือเป็นการลงทุนดังนั้นในเดือนหนึ่งสาหรับคนที่ไม่ได้มาบวชกับเดือนหนึ่งสำหรับคนที่บวชนี่ต่างกันไหมต่างกันนะพอเรามาบวชเดือนหนึ่งนี่นะบางทีอาจจะสองเดือนก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ศึกก็ได้อาจจะไปเรียนต่อเป็นพระเป็นเนนไปเรียนมาหาปริญญแล้วก็อาจจะได้เรียนเป็นพระในเนี่ย หลายสิบคนเนี่ยอาจจะมีสักห้าคนสิบคนหรือคนสองคนเนี่ยสามารถบวทต่อไปได้ก็มีเหมือนกันนะดังนั้นแต่คนที่ไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้บุญกุศลออกไปแต่ว่าบุญกุศลนี่หมายถึงว่าเราจะต้องสร้างเอาเองนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์บังคับให้ทำนะถ้าอาศัยครูบาอาจารย์คอยบอกคอยเตือนคอยชี้คอยแนะอยู่นี่แสดงว่าเราไม่ได้สร้างตนเองคนไหนพยายาม มีศีลด้วยตัวเองคนไหนพยายามตื่นด้วยตัวเองไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์คนไหนพยายามช่วยเหลือตัวเองห่มผ้าห่มพรเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองนี่เขาเรียกว่ามหาทรัพย์เล้วคือหมายความทุกอย่างที่เราจะเป็นบุญกุศลเนี่ยต้องเต็มใจทานะแต่ถ้าครูบาอาจารย์อื่นมาเข้าไปทำได้เป็นไหมไม่เป็นบุญนะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นวาปด้วยเพราะอะไร เงทีเราไม่เต็มใจเนี่ยใช่ไหมเราอยากเคยตื่นสายให้เราตื่นเช้าที่สามที่สี่น้ไม่ไหวอย่เราอยู่บ้านเราเคยกินเมื่อไหร่ก็ได้กินได้ใช่ไหมแต่มาที่นี่ไปไงโอ้ยจะถือเวลากินแค่เจ็ดโมงแปดมงนะแต่ก็เราเป็นเด็กครู อ, อาจารย์คงจะเห็นใจละคงจะไม่อดอยากคืนไปละพวกเรากําลังอยู่ในวัยกินวัยนอนท่านก็คงจะพิจารณาว่า อันไหนควรไม่ควรกับเด็กแต่ว่าก็จะมีระเบียบขึ้นนิดหน่อยให้กินตามเวลาให้เรียนตามเวลาให้ภาวนาตามเวลาให้สวดมนต์ตามเวลาเนี่ยมาให้เพียงแต่มาให้ทำอะไรตามใจเท่านั้นแหละนะเพราะการทำอะไรตามใจนี่ร้ายนักเพออราะละเพราะมันจะทำให้เราตกต่ทำทคนไหนชอบอะไรทำอะไรตามใจเนี่ยตกตา่า แต่คนไหนฝืนใจตัวเองบ่อยๆเนะี่ยคนนั้นก็จะขึ้นขึ้นสูงนะเพราะฉะนั้นเราเคยกินตามใจเนะี่ยอ้าวตื่นเช้าขึ้นม า, อาขอพ่อขอแม่อยากจะกินเนะี่ยอันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาต้องโอมาทาวัดสวดมนต์อากาศก็หนาวทาวัดสวดมนต์เสร็จแต่คนที่ตั้งใจสร้างบุญกุศลก็นั่งสร้างเจ้าวะาทำสมาธิ คนที่ไม่ตั้งใจก็นั่งเล่นบ้างนั่งคุยกับเพื่อนบ้างนั่งแย่เพื่อนบ้างนั่งหลับบ้างอันนี้ไม่ได้ละไม่ได้บุญกุศลนะบุญกุศลก็หายไปแต่บางคนที่ตั้งใจยกมือตลอดนะนั่งทีไรยกมือเรียกว่าคนนั้นได้ตลอดเลยเพราะยกมือแต่ละครั้งในสติปัญญามันเกิดใช่ไหมถ้าไม่ยกในสติปัญญามันก็ไม่เกิดนะแต่คนที่ยกมันก็ได้มากกว่าเหมนคนทํางานอะ่ะบางคนไปนั่งเฉยๆนั่งคุยกันเนี่ยจะได้งานไหมจะได้เงินไหม ไ่ได้บางคนเลือกลงมือทำตลอดนี่มันต่างกันตรงนั้นนะคนจะได้ไม่ได้เนี่ยทีนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วทำไว้สวดมนต์ถึงเวลาก็เอาหุ่มผ้าวันนี้ไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนไปบิณฑบาตแต่บางแห่งก็ก็ไม่เรียกว่าไปร่วมไม่ค่อยดีเหมือนกันนะต้องเลือกมาณนะบางทีบทเนรบางแห่งเนี่ยพากัน ไปบินธบาตหาข้าวหาของไปบินบ้านน้นมาไปบินบ้านนี้มาสามเณรลุกภาคดูดูร้อนแลเป็นภาคเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเลยพากข้ไปบิธบัตบ้านน้นบ้านนี้เขาเรียกว่ากลายเป็นเครื่องมือไปบางแห่งสามเณรกลายเป็นเครื่องมือหายกินนะตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็ใส่รถไปบินธบาตบ้านน้นใส่รถไปบินธบาตตลาดนี้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะนะแต่ว่าทําเท่าที่จําเป็น สมมติว่ า, ามีอยู่ด้วยกันห้าสิบคนก็แบ่งไปบินทบาทซะยี่สิบคนก็พอนอกนั้นก็ทํากิจวัตรอื่นหรือห้าสิบคนแบ่งไปบิณทบาทซะสาสิบคนเอามาแบ่งกันพอกินมันนะ่ยถ้ามามาเหลือนี่โอ้สามเณรก็ไปไงของกินเหลือเยอะเนี่ยนะตรงนั้นก็นมตรงนี้นก็ขนมตรงนั้นก็เครื่องดื่ม วันๆก็แทนที่จะกลายเป็นสาเณรกลายเป็นสามเณรสามนอนกินแล้วก็นอนไปเลยพอ <c oughs> กินอิ่มเยอะเลบิณทบาทได้เยอะเลยได้ไหมอันนี้ต้องระวังนะพ่อหลวงพ่อไปประสบการมาเนี่ยบทเนรภาครู้ร้อนเดี๋ยวนี้เป็นภาคเดือดร้อนสามเณรที่มาบทก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนเพราะต้องไปบินบาททีไม่ใช่สองสามวงห้าบหสิบ ชาวบ้านเตรียมข้าวแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งยุคข้าวยากหมากแพงก็ต้องระมัดระวังนะก็คือการที่จะไปบินทบาทที่ไหนขอที่ไหนก็ต้องเกรงใจชาวบ้านจะออกทีแล้วทั้งหมดี่ไม่ไหวชาวบ้านเดือดร้อนบางคนก็อยากจะทําบุญยุ่แต่ถ้าหากว่าทําทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันข้าวยากหมากแพงก็ต้องเห็นใจชาวบ้านเอามาพอเป็นปัจจัยกินแล้วอย่าให้เหลือกินแล้วหมดพอดีดีที่สุด ถ้กินแล้วเหลือเยอะนี่ถือว่าเข้าขายเกินจําเป็นแล้วเข้าขายเกินจําเป็นทั้งนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเราก็ไปที่ไหนบางแห่งผ้าพี่เลี้ยงเนี่ยถือโอกาสเอาสำเนินเป็นเครื่องมือหาเงินนะอันนี้ก็ต้องระวังไปวินทะบาทมาได้ข้าวของมาเยอะก็แจกจ่ายชาวบ้านบางเอาไปขายบางอ้างว่าจะเป็นค่ารถไปตรงนั้นค่าเรือไปตรงนี้ นะก็บางแห่งก็มีอุบายโซวสิกาแผ่นะถือบาทนะแผ่บอกว่าจะเอาไปเลี้ยงสซมเนินเอาสมเนินไปเครื่องมือเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังเหมือนกันนะเราก็แต่คิดว่าพระในวิธีการหลวงพ่เทียนเนี่ยโดยเฉพาะในวิธีการของพระแสงเทียนนี่เขาจะระมัดระวังเรื่องนี้มากนะเขาจะทำทุกอย่างแต่พอดีนะมาให้เหลือนะขนาดว่าวางแห่งนี้ทาครัวเลี้ยงกันเลย บางให้ให้สำเนินบินทบาทวันเว้นวันเดี๋ยววันนี้บินมาได้เยอะแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องไปเอาวันนี้ไว้ทานให้หมดก่อนเราก็มีเวลาเหลือเยอะในการปฏิบัติในการทํากิจกรรมใช่ไหแล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อยอไม่เหน็ดวันวันห น, นึ่งไม่ได้ค่อยภาวนาเพราะอะไรพราะจโมหุมผ้ากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปทํากิจกรรมนั้นเหลือเวลาปฏิบัตินิดเดียวอันนี้ก็ไม่คุ้มกันนะดังนั้นก็ ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าทั่วในเป็นสมัยหาเงินหาทองนะเพื่ออามาสร้างมาเสริมมาสร้างบา ร, รมีเสริมามาสร้างวัดเสริมเราก็กลายเป็นเครื่องมือโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่ว่าพระในสายงานเหล่านี้จะมุ่งสาราประโยชน์จะไม่มุ่งเพื่อการทำมาหากินเพราะเดี๋ยวนี้วัดว่าอารามกลายเป็นที่ทำมาหากินไม่ได้กลายเป็นที่ฝึกฝน บางทีผู้ที่มาบวชแล้วก็แทนที่จะได้ปฏิบัติวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงได้ปฏิบัติจริงๆก็เช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงกลางวันโมททาอะไรมร่รู้นะอันนั้นบ้างอันนี้บ้างซึ่งมีเวลาสั้นๆเราจะไปเสียเวลาทํากิจกรรมอย่างอื่นมากมาได้จะเรียนหนังสือก็เรียนน้อยๆพอเป็นข้อวัดปฏิบัติไม่เอาเกินจําเป็นนะเพราะว่าเยาวชนมีเวลาแค่เดือนสองเดือนสําหรับคนที่ จะบทต่อบทยาวก็ค่อยว่ากันคนที่จะบทบทต่อบวทยาวจะเรียนบาลีอะไรอย่างเงก็ไปเรียนพิเศษแต่สำหรับคนที่เขาไม่ต้องการที่จะเรียนต่ออะไรก็อย่าไปเสียเวลาเรียนบาลีให้มากเพราะว่าไม่จำเป็นถ้ามีเวลาฝึกให้มากฝึกศีลฝึกสมาธิฝึกปัญญาเนี่ยฝึกศีลทำยังไงฝึกศีลไม่ใช่ว่านั่งท่องศีล น, นะแล้วฝึกศีลก็ไม่ใช่ว่าไป ทําเรื่องศีลฝึกศีลก็คือฝึกอย่างเงี้ยฝึกการห่มผ้าให้เรียบร้อยฝึกการล้างบาทดูแลบาทของตนให้เรียบร้อยฝึกในการเดินการเหินให้เรียบร้อยนี่ฝึกแล้วเนี่ยฝึกเป็นอาจจะเป็นกลุ่มเป็นกองอย่างว่าสมมติ50คนก็แบ่งเป็น5กลุ่มแต่และกลุ่มก็มีหัวหน้ารับผิดชอบ ถ้าไม่มีหัวหน้าพี่เลี้ยงรับผิดชอบเราโอก็หนักถ้าครูบาอาจารย์น้อยหรือบางทีมีพี่เลี้ยงหลายคนก็เอาพี่เลี้ยงเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ดูแลกลุ่มใครกลุ่มมันวันนี้เราก็ผัดเป็นกลุ่มทําวาระเช่นว่ากลุ่มทําความสะอาดกลุ่มนี้ไปบินท่าบาตกลุ่มนั้นไม่ต้องบินอย่างเงี้ยนะเทราว่าบินเยอะชาวบ้านเดือดร้อนและถ้าจะบินทุกวันก็ บินแบ่งกลุ่มเล่นน้อยถ้าบินบางวันอาจจะไปบินทั้งหมดแต่ว่าสามวันไปบินทีหนึ่งอันนี้ก็เอาเท่าที่มันพอกินพออยู่พอกินอย่าให้มันเหลือถ้าเหลือแล้วไปไงถ้าเหลือแล้วเกิดสมานินพันใหม่ขึ้นมานะเขาเรียกอะไรไม่ใช่เป็นสมานินพันพันเดิมแล้วเป็นสมานินพันใหม่ก็คือสมานินที่แอบอยู่แอบกินเพราะของมันเยอะเนี่ยนะอ๋ออันนั้นก็นมอันนี้ก็นมกล่องอันนี้ก็คานมแล้วก็ เมื่อเกิดสำเร็นพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นก็เกิดแอบซ่อนของกินกันนะแล้วก็เกิดสำเร็นเปรดขึ้นมาตรงนี้แหละปัญหามันจะเกิดนะความหิวมาเพราะเราเป็นเด็กเป็นเล็กกาลังกินกําลังนอนนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการหยิบกินก่อนซ่อนกินหลังมันก็จะเกิดขึ้นเพราะของมันเยอะแต่ถ้าของมันน้อยก็ดีอย่างนึงก็คือกินแต่ในน้อ ย, อยก็ทําให้เราไม่ต้องกลายเป็นเปรดแล้วก็กลายเป็นพระเป็นเนนกันได้ ดันั้นเรื่องนี้ละเอียดอ่อนเพราะหลวงพ่อมีประสบการณ์มานานเคยไปบท น, นินมาหลายปีเมื่อก่อนบททุกปีสิบกว่าปีหลวงพ่อกูจะเลิกเนี่ยมีประสบการณ์เยอะนะดังนั้นเองก็ตอนหลังมาเห็นว่าพระพี่เลี้ยงท่านทํางานได้ก็ปล่อยไปก็คอยประคับประคองแต่คอยให้สติอยู่เสมอทําอะไรอย่าให้เกินไปได้เอาสมณีนน้อยๆไปเป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาซับไม่ได้ต้องให้วิชาเขาต้องฝึกนะที่นี้การฝึกนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะาต้องอใช้กฎใช้ระเบียบอะไรที่รุนแรงแต่ว่าใช้ความเหมาะสมตามวัยนะพระพี่เลี้ยงต้องมีความเมตตากรุณามีความอดทนอย่างสูงมากทีเดียวเบื้องต้นสิบวันเนี่ยก็คนที่จะฝึกนะฝึกการห่มผ้าการนุ่งผ้า การเก็บบาตการเช็ดบาตกลุ่มใครกลุ่มมันนะฝึกไว้ก่อนแลการดูแลผ้าการซักผ้าการตากผ้าเนี่ยสำคัญแล้วการดูแลความสะอาดอสัมมเลินส่วนใหญ่ที่ไปอยู่รวมกันน่ะถ้าหากว่าไม่สะอาดล้วไปไงได้โรคกลับบ้านโรคขี้กลางโรคขี้เกลื่อนโรคเหาโรคหิดกลับบ้านก็วีนะเพราะอะไรเพราะไม่สะอาดความสะอาดเป็เรื่องสำคัญนี่คือเรื่องของศีล ความสะอาดศีลต้อเน้นความสะอาดเรียบร้อยอความมีระเบียบแล้วทีนี้ก็ฝึกสมาธิต่อไปเรื่องของศีลคือฝึกระเบียบการอยู่การกินการทวัตช่าวทวัดเย็นการตื่นการนอนอที่นอนหมอนมุ้งการเก็บให้เป็นระเบียบรเรียบร้อยอันนี้พระพี่เลี้ยงกลุ่มหรือเนนพี่เลี้ยงกลุ่มจะเป็นคนคอยดูแลรับผิดชอบแล้วก็ฝึก นะฝึกนี่ก็เรียกว่าฝึกศีลฝึกกันเยอะทีเดียวดหะนะแ ล, แล้วตลอดถึงการนั่งเนี่ยตลอดขึ้นการนั่งเวลามานั่งสวดมนั่งทําวัดเนี่ยต้องจัดเป็นระเบียบไม่ใช่ว่าอยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งไม่ใช่นั่งให้เป็นระเบียบเพราะการจัดเป็นระเบียบความสะอาดเป็นระเบียบเนี่ยเป็นที่เจริญศรัทธาของคนญาติโยมเข้ามาเลี้ยงอาหารเข้ามาถวายอาหารนั่นเขาเห็นสามเณนเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาเกิดศรัทธา เขาเกิดศรัทธาแล้วนั่นแหละคือการเผยแพร่ศาสนาเขาก็อยากดูแลแล้ววัดสมเด็จอยู่กันเป็นครึ่งร้อยเนี่ยเงียบนะไม่มีเสียงดังเลยนะเนี่ยออยู่กันได้อย่างไรเด็กๆทั้งนั้นน่ะแต่อยู่กันได้อย่างสงบเขาค่อยอศัศจรรย์เกิดศรัทธาใช่ไหมไม่เหมือนที่บางแห่งเนะี่ยอยู่กันสิบคน20่สิบคนนะดังลั่นวัดเลยนะเล่นวิ่งกันจั บ, น, จบนูจับไหนจับกระแยกกระปอ๋อมวิ่งกันลั่นวัดเลยนะี่ นี่แยกยมมาเห็นว่อะไรเด็กนักเรียนที่บ้านก็ไม่ดังขนาดนี้นี่สำเนเนนะทำไมวุ่นขนาดนี้ล่ะศรัทธาเข า, เขาก็ตกนะนั้นจุดนี้กึงอยากให้เราได้ศึกษาจริงๆนะเอาไปเอาวิชาแต่แล้วถ้าเรามีระเบียบเรียบร้อยกลุ่มใครกลุ่มมันปฏิบัติที่ใครที่มันเหมือนเราเปิดอบรมอะ่ะพราะงานสำเนนเหมือนงานเปิดอบรมดีๆนี่เองอะ่ะเปิดอบรมเช้าเย็นก็ ไปทำหน้าที่กลางวันก็แบ่งกลุ่มปฏิบัติกันนะเรียนปริญญาตก็เท่าที่จําเป็นเอาเท่าที่จําเป็นไม่ต้องไปเข้าชั้นเรียนที่เสียเวลาแบ่งกลุ่มฝึกฝนการกลุ่มไหนเรียบร้อยก็มีการให้รางวัลให้ตัวอย่างกันโอ้กลุ่มนั้นเรียบร้อยนะเขาเดินไปที่ไหนก็เดินเป็นแถวเป็นแนวกลุ่มนั้นไม่ค่อยมีเสียงเลยนะยกลุ่มนี้เสียงดังเย้ยวแจ้าถ้าผ่อนท่อนสบายก็หมไม่เรียบร้อยไม่สวยงาม แล้วก็มีการแข่งกันว่าใครห่มผ้าได้สวยงามห่ผมผ้าเป็นปริมณฑลนะแล้วก็การจัดอของโดยเฉพาะเราอยู่กันหลายคนนี่นะโอของนี่เรียกว่าเกะกะไปหมดเลยผ้าผ่อนทอนสบายตากมาไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็เศษขยะเยอะแยะไปหมดเลยนะพอกินแล้วก็ทิ้งอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะ เราไปอยู่บ้านเขาของเขาเนี่ยต้องช่วยเหลือกันทําความสะอาดของทุกวันอาหารทุกวันเนี่ยเวลาโดยเฉพาะคนไหนที่หยิบก่อนซ่อนกินนี่ก็เรียกว่าทิ้งไปทั่วเลยเดี๋ยวเปลือกขนมเดี๋ยวกล่องนมเดี๋ยวหลอด <c oughs> อันนั้นอันนี้ถุงกระดาษเนี่ยเยอะแย ะ, ย ะ, ยะอันนี้ก็ช่วยกันที่เราจ ะ, ะดูแลความสะอาดอ น, นี่เป็นเรื่องของศีลนะต้องต้องฝึกสิ่งเหล่านี้ให้ได้ทีเดียวถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นศีลก็ไม่มี เพราะสีนี่มีเก็ไม่สวยงามอ่ะแถมได้โลกมาต่างหาพระพี่เลี้ยงก็หนักแล้วทีนี้นะเดยเฉพาะพระพี่เลี้ยงท่านจะมีเมตตามีความอดทนสูงแต่เราก็ต้องให้ความร่วมมือนะเพราะเราอาจจะฝึกเป็นผู้นำต่อไปอันนี้ฝึกเรืองสีหรือแบบนี้นะทีนี้ต่อไปก็ฝึกสมาธิทไงฝึกสมาธิก็คือเบื้องต้นนี่ก็ต้องฝึกการนั่ง สร้างจังหวะฝ่าการเดินจงกลมสร้างจังหวะเดินจงกรมที่ทาเป็นประจําทีเดียวนั่งที่ไหนก็ยกมือที่นั่นแหละเพราะอะไรเพื่อจะเรียกจิตกลับมาไม่ให้มันง่วงเหงาแต่ถ้าหากว่านั่งเฉยๆสักพักนี่ก็ชักง่วงละใช่ไหมพวกเราทุกคนส่วนใหญ่เยาวชนสมัยนี้มีโรคอันหนึ่งเขาเรียกว่าโรค อ, อะไรเวลานั่งไม่ให้ง่วงก็คืออย่าหลับตาถ้าหลับตาเราก็ง่วงใช่ๆๆไหมผู้เด็กข้างหลังอขาชื่ออะไรนั่นเนี่ยหลังเ้าง่วงแล้ว ลืมตาขึ้นนะมองตาหลวงพ่อดิหลวงพ่อกำลังทักทายอยู่เนะี่ยเธอไม่มองหน้าหลวงพ่อเลยเออหลวงพ่อทักทายคุยด้วยเธอนั่งหลับเฉยเลยหลวงพ่อก็ไม่ดีใจนะต้องมองหน้าครูอาจารย์สร้างจังหวะสวยๆยกมือสูงๆนี่นี่การทําสมาธิตลอดเวลาเลยนะแล้วก็เดินจงกรมมือมันกันนะต้องทําทางใครทางมันเอาไว้บางคนไปบวชเป็นเดือนเนี่ยไม่เห็นทางจงกรมเลยว่าเดินตรงไหนบ้าง ในนั้นเองที่วัดอจารย์นุ้งศิลที่กว้างขวางเพราะท่านจะทําทางจุกกลุ่มแจกคนละเส้นละเส้นละเส้นแล้วก็ที่ใครพักตรงไหนส่วนใหญ่ท่านคงจะให้พักตามป่าละกลางเต็นตามปา่าที่กางเต็นก็ต้องดูไม่ให้ใกล้กันเกินไปถ้าใกล้เกินไปก็เดี๋ยวก็แอบไปถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลวงพ่อว่าคนจะมีเต็นคนละหลังนะหรือมีกฎคนละอันไม่ใช่นอนด้วยกันในความจริงแล้วเราน่าจะเตรียมไปคนละอันนะท่านกิตะคมเพราะว่า เต้นเราก็แต่ว่าก็ส่วนใหญ่กลับมาก็เละเวลาตเต้นนะเพราะอะไรเราก็เด็กเด็กก็คือเด็กก็คือไม่ค่อยเรียบร้อยขนาดผู้ใหญ่ยังไม่รับผิดชอบเลยเรื่องเรื่องความสะอาดความเรียบร้อยแต่ถ้าหาว่าซื้อเป็นของใครของมันก็ดีซื้อของขครของมันก็คือพังก็เป็นของเราเสียก็เป็นของเราะแต่ถ้าเอาของวัดไปบางทีพังมาแล้วก็ไม่มีใครใช้เต้นเล็กๆอย่างนั้นควจริงเต้นเล็กๆ เ, เขาเขียวหลวงพ่อมีหลายอนอยู่ แต่ถ้าหากว่ารับผิชอบกลับมาเหมือนเดิมมันจะให้ยืมอยู่นะอันนี้คือเรื่องของสมาธิก็คือการมันสร้างจังหวะเดินจงกรมทำวัดสวดมนต์ต้องร่วมทุกครั้งตั้งใจในะการฝึกสมาธิฝึกสมาธิที่ทำให้เราเป็นไงทำให้เรามีความสุขคนอยากจะมีความสุขสงบก็คือมีสมมิท้าหากว่าในหมู่คณะเนี่ยมีความสุขเราวมันจะสงบได้ง่าย แต่ถ้าไม่มีความสุขแล้วก็วุ่นวายนะเพราะอะไรเพราะหาเรื่องทำอยู่เลยทํามานู้นทำมานี้สนุกสนานโดยเฉพาะสําเนนมางคนอ่าก็เรียกว่ามีนิสัยชวนมาจากบ้านชวนเพื่อนไปหาของหาอะไรต่างๆเวลาพี่เลี้ยงไม่อยู่นะอันนี้เราก็ต้องช่วยกันนะเพราะนั้นทำไงให้มีความสุขก็คือมันทําความเพียรเดินจุ ก, กมสร้างจังหวะ ถ้าวันๆมีแต่กิจกรรมมีแต่งานสามเณรไม่ได้ปฏิบัติเลยสามเณรก็ใจไม่สงบเมื่อใจไม่สงบมันก็ต้องมิไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขคนเราเป็นทุกข์มันก็อยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมหาทางออกหาทางออกตรงนี้แหละปัญหาละทางออกก็คือไปคุยกันบ้างไปแย่กันบ้างไปเล่นกันบ้างไปคุยไปทำโน่น น, นี่อันนี้คือทางออกที่เป็นปัญหาล่ะ แต่ถ้าเรามีความสุขเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับใครแล้วก็อยากจะทำอะไรที่สงบสงบนะอันนี้การศึกษาสมาธิขยันในการสร้างจังหวะไม่เกินเดินจงกรมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการาร่วมธราวะสวดมนต์สำคัญนะการทำสมาธิบางทีพอธราวะสวดมน์เสร็จท่านอาจจะให้นั่งสร้างจังหวะ หรือลุกไปเดินจงกรมแต่ถ้าสำเน็จมบางคนเคยนอนตื่นสายเนี่ยเจ็ดแปดโมงใช่มาที่นี่ท่านนายสิ่อที่สามที่สโอ้ไม่ไหวเลยก็ส่วนมูลไปสวนมูลมาเป็นไงหลับง่วงสงอกส ง, งกเลยหลับอ้อพี่เลี้ยงก็ค่อยบอกอ้าวคนนั้นน่ทำไมหลับไปแล้วอ้าคนนี้ตื่นซี่อะไรอางเนี้ยบางครั้งก็เห็นใจนะเมื่อนั้นบางอ่า ตอนบ่ายน่าจะให้มีการพักผ so ่อนช่วงหลังจากทานเสร็จแล้วเนี่ยให้พักผ่อนสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหมายความเป็นชั่วโมงพักผ่อนจากช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยแต่คนไหนไม่พักผ่อนที่เข้มแข็งก็คือไม่ไปไลยเดินเชืกลมสร้างจังหวะไปทําสมาธิไปแต่คนไหนที่อ่อนจริงๆก็เอาพักผ่อนนอนหลับสักหีบหนึ่งเพราะว่าเราตื่นเช้าใช่ไหมเราตื่นเช้าก็ต้องได้พักผ่อนบ้าง เมื่อไม่ได้พักผ่อนเพียงไงทำกิจกรรมตลอดคนเราก็อีกก็หิวนอนก็ไม่หลับไม่สนิทก็จิตใจก็ไม่สงบฟงุ้งซ่านปัญหาก็เกิดแล้วทีนี้อันนี่ต้องสังเกตให้ดีนะเนี่ยถ้าไม่สังเกตแล้วก็เกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นมาก็หาสาเหตุไม่เจอเนี่ยเพราะอะไรนะสามเณรกลุ่มนั้นจึงโซนเพราะอะไรนะสามเณรจึงนั้นจึงยุ่งมีปัญหาก็เพราะเขาไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็อะไรเพราะไม่ได้พักผ่อนเพียงพอ นะกินก็ไม่อิ่มนะนอนก็ไม่หลับแต่ตรงนี้แหละเราก็ต้องหาทางออกเป็นธรรมชาตินะบางทาีต้องหาสาเหตุให้เจอบางทีก็ไม่ได้เป็นนิสัยเดิมของเขาหรอกแต่พอมาอยู่ผิดที่กินผิดทินนะไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ไม่มีความสุขเราก็ต้องหาทางออกในยการสร้างปัญหาอันนี้พระพิเลี้ยงต้องฉลาดในการแก้ปัญหาทีเดียวนะเสร็จแล้ววิธีสร้าง สมาธิก็คือทําจิตให้สงบพยายามให้มีความสุขความสุขไม่ใช่ไปนอนนะไม่ใช่ไปนอนความสุขด้วยการทําสมาธิมีความสุขแล้วต่อไปฝึกปัญญาทําังไงฝึกปัญญาก็คือฟังการอบรมอย่างช่วงเช้าเนี่ยเป็นการฝึกปัญญาปัญญาเกิดได้กี่ทา ง, งปัญญาเกิดได้กี่ทางได้สามทางหนึ่งตั้งใจฟังปัญญาเกิดแล้ว สองจุดจำได้อ่นะสองจุดจำได้สามลองเอาไปทำดูนะแต่ว่าไปมาฝึกฝนเท่านี้ให้จำคาถานะหลพ่อจะให้คาถาว่าตามนะสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสบันดีโตภเวสุจิปุริ วินิมุตโ ต, ต, โตกะถังโ ส, บ, สโบันดิโตภเ ว, เวทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่อชอบฟังเวลาครับอาจารย์ให้การดบรมให้การศึกษาก็ชอบฟัง ส, สูมาันจะเขาว่าสูตะจิฟังแล้วไม่ฟังเฉยๆฟังแล้วพิจารณาเอ๊สิ่งที่ท่านพูดนี่เราไม่เข้าใจ โอ้สิ่งที่ท่านพูดนี่เราเข้าใจแล้วนะก็เอาไปพิจรารณาพิจารณาจิตเนะี่ยสุจิคือจิจมาจากคาว่าจิตตะคืออพิจรารณาใครคลวนในสิ่งที่ื่องพูดนี่ใช่หรือเปล่านะเราจาได้ไหมสุจิสุจิปุถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจต้องปุปุุมาจากเข้าปุจฉาถามอาะารน์หมายความว่ายังไงผมจะทำอย่างไรมัมาจะให้อา่า ทำเป็นกลุ่มจะให้ทําอย่างนั้นทําอย่างไรถามสุจิปุปลิให้ถามแล้วจําไม่ได้ถามตรงนี้หมายความว่าอย่างไรพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อย่างไรครับตื่นอย่างไรครับเบิกบานอย่งไรครับอาจารย์กทย็ที่บายที่บายได่จําไม่ได้ทําไงลิลิขิตเขียนลงไปสุฟังจิพิ่เจรณาปุถาม ลิเขียนบันทึกอ่าสุจิปุริวินิมุตโตกาทังโสบันทิปุลใครก็ตามที่ชอบฟังอชอบถามชอบพิจารณาชอบบันทึกคนนั้นจะเป็นคนฉลาดคนใดก็ตามที่ไม่ชอบฟังฟังไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจพิจารณาไม่ตั้งใจคิดไม่ตั้งใจถามไม่ชอบบันทึกจดจํา คนนั้นจะเป็นคนฉลาดไม่ได้นี่คาถาเนี่ยหมายเขาว่าคนที่ชอบคนที่เป็นคนอชอบฟังชอบพิจารณาชอบคิดชอบถามคนนั้นเป็นคนฉลาดคนไหนไม่ชอบฟังไม่ชอบคิดไม่ชอบถามไม่ชอบบันทึกจดจําคนนั้นเป็นคนโงูเข้าใจไหมทุกคนอยากจะเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนงูนคนฉลาดนั้นต้องทำสี่อย่างนี่นะมีอะไรบ้างว่าตะว่ที หนึ่งซองซ้ำสุสวิวินิมุตโตแค่คาถาก็จำมาได้แล้วว่าไหมเอาให้จำนะสุจิปุลิวินิมุตโตกะทังโสวันดีโตภเวอ้วาวว่าพร้อมกัน อะไรอเดี๋ยวจะให้ว่าทีละคนดูว่าใหมหนึ่งสองซามขังโสบันดีโตพระเวเอาใหม่ว่าดังๆหนึ่งสองสัมบันดีโตพระเว จำได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนฉลาดจำคาถานี้ให้ได้เราไปทำดูนะดัง น, น, นั้นเราจะเห็นว่าการจะเป็นคนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ยากแต่การเป็นมนุษย์ไดยากการเป็นคนเนี่ยเป็นอย่างไรการเป็นคนเทเมื่อคืนบอกให้ฟังแล้วใช่ไหมจำได้ไหมในทานเมื่อคืนน่ย จำได้ว่าเป็นคนแต่วันนี้หลวงพ่อก็มีนิทานให้อันคาถาที่จะประสบผลสําเร็จนะนอกากไม่กี่คาถาทําให้คนโง่หรือคนฉลาดใช่ไหมอยากจะเป็นคนฉลาดจําคาถาได้ไทีนี้อยากจะเป็นคนประสบสําเร็จต้องฟังเรื่องนี้ก่อนนะว่ า, ามีเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะนะไปเรียนหนังสือกับพหลุษีสมัยนั้นเขาไม่มีโรงเรียนน่ะต้องไปเรียนหนังสือกับพหลุษี ก็มีพระฤาษีตั้งเนี่ยอย่างหลวงพ่อนี่กับสำนักพระฤาษีเนี่ยอันนี้เราจะไปสํานักพระฤาษีโน่นพระฤาษีอะไรพระฤาษีดวงศิลนนะ่ะที่เราจะไปหาเนี่ยนะมาทีทีก็พระฤาษีกิตาคมนี่นะที่นี่เราจะไปหาพระฤาษีดวงศิล์พระฤาษีดวงศิลท่านก็เลยสอนนะอ่ะสอนคาถาอยู่เจ็ดคำจำไม่ดีนะบอกว่าเจ็ดคำเนี่ยเรียนอยู่เจ็เดือน ถ้าเจ็ดเดือนถ้าว่าคนไหนทำเจ็ดคำนี่ได้นี่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จละทําไงบอกว่าทําอะไรทําจริงๆนะทาอะไรทําจริงจริงนะกี่คําทําอะไรทําจริงจริงนะกี่คำเจ็ดคําน่อยคาถาเจ็ดตัวทําอะไรทําจริงๆน ะ, นะะรรรนะปรากฏว่าเที่ยวนี้มี มีนักศึกษาไปเรียนอยู่สี่คนไปเรียนมีนักศึกษาอยู่สี่คนคือไปอยู่สองบ้านบ้านละสองคนบ้านนี้ไปสองคนบ้านนั้นมาสองคนก็คล้ายๆว่าเป็นเป็นเพื่อนกันไปเรียนกับพรลุษีพรลุษีสอนว่าน้ตื่นขึ้นมาก็ทําอะไรก็ทําจริงๆนะสวดมนุ์ก็สวดจริงๆนะปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงๆนะเดินจงกลมก็เดินจริงๆนะเ น, น่ท่านก็จะสอนทำแค่ทำอะไรทําจริงๆนะ อสอนได้ทุกเรื่องเลยปูบ่บ้านได้ยากก็ทำจริงๆนะปู่บ้านก็ทำจริงๆนะเรียนหนังสือก็เรียนจริงๆนะทำสอนอยู่อย่างเงี้ยทีนี้สี่คนสองคนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้พลศษีนี่สอนแต่เรื่องเก่า ผมก็สอนได้เขาแบบนี้บางคนเขาก็เราเคยฟังมาหลายเรื่องคำว่าเจ็ดคำเนี่ยผมสอนก็ได้แต่อีกสองคนเนี่ยปรากฏว่าโอ้เขาลกมากพระฤๅษีนี่สอนคาถ า, าดีมากเลยตั้งใจทําภาษีทำพาทําอะไรก็ทําหมดอีกสองคนก็ทำบังไปทำมาเสียเวลามาเสียเวลาเปล่าเนี่ยจะเรียนใดทั้งเ็ดเดือนสอนคาถาคำเดียวผมก็จําได้แล้วผมฟ<ๆ>ังรอบเดียวผมก <ผม S 1> ็จําได้แล้วไปเรียนทําไม ก็บ่อย่างเจะนี้กลับบ้านก็ไม่ได้พ่อพ่อพอพอแม่บอกว่าถ้าไม่ครบเจ็ดเดือนไม่ให้กลับนะถ้ากลับบ้านเพราะให้อยู่บ้านนะถ้ากลับบ้านก่อนก็จําเป็นทุซี้อยู่ไปงั้นนะครบเจ็ดเดือนพอเจ็ดเดือนแล้วปรากฏว่าสองคนเนี่ยไปทางมาจากทางเหนืออีกสองคนมาจากทางอีสานอ่ามาจากทางอีสานที่นี้ก็คนที่ มาจากทางอีสานเนี่ยมีความบ่อน้อมถ่อมตนนะมีความบ่อน้อมถ่อมตนแล้วก็ตั้งใจจริงกลับไปทางทางนี้คนที่ไปทางทางเหนือนี่คนทางเหนือนี่มาขี้เกียจหน่อยนะโอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังพระอาจารย์เท่าไหร่กลับบ้านที่นี้อาละพอไปถึงกลางทางสองคน ที่ไปทางอีสานก็ไปทางนู้นคนที่ไปทางเหนือปรากฏว่าคนที่ไปทางเหนือเนี่ยไปเจอไอแม่น้ําแห่งหนึ่งอาจจะข้ามไปบ้านฮงตนอาจจะเป็นแม่น้ําอะไร จ, จะเป็นน้ําเจ้าพระยาหรือน้ํายมก็แล้วแต่น้ำหนาหน้นหนาน้ํนนาขึ้นน่ะข้ามน้ําไม่ได้ทําไงหน้าฝนก็เลยเอาละพวกเราข้ามน้ํำได้เราก็ทําเรือก็ไปเจอไม้ท่อนหนึ่งช่วยกันขุดเรือ ขุดไปขุดมาปรากฏว่าตอนแรกก็แต่งตั้งใจทําจริงๆนะแต่เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีศรัทธานในอาจารย์ไม่ค่อยเชื่อฟังอาจารย์มันก็เลยเป็นกรำตรงนั้นอะ่ะพอทําไปทํามามันเหนื่อยใช่ไหมทํามันเหนื่อยที่นี้สองเพื่อนก็ออฉันทําตั้งนานแกไม่เคยทําเลยใช่ไหมฉันทำตั้งเยอะแล้วท่านทําเหนื่อยแล้วแกก็ทําบางสิแกทําได้เมื่อไหร่มันจะได้เรือสิทีิเดชข้ามน้ําได้ ก็เอาก็ทำไปสิแกลูกศิษย์ผู้ลืษีเนี่ยอไปเยอะเพื่อนที่อีกก็เลยว่ากันไปว่ากันมาเลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันอีเพื่อนมั น, มนโมโหมันเอาขวานเนะี่ยสับเรือทะลุเลยเออไม่ไม่โดนข้ามันละอุตสาห์ลมไม้มาอย่างดีนะั้นทำเรือจะเสร็จแล้วนะแต่ว่าปรากฏเราไม่สามารถขี่กันเห็นไหม สาเหตุที่ไม่เชื่อฟังครูบอาจารย์จะทำให้เราแตกสามคัคคีเพราะนั้นสองคนปรากฏว่าไม่ถึงบ้านเลยจนมืดพอมืดแล้วทำไงได้เสือมาจะข้ามน้ำก็ไม่ได้เสือไปกินเนีสองคนเหลือก็ไม่ได้เพราะอะไรจะทำเรือข้ามน้ำก็ไม่ได้เพราะไม่สามคัคคีกันเพราะ้านไม้ใหญ่ใช่ไหมในที่สุดกลับบ้านไม่ได้ตายกลางทาง เอาพูดถึงสองคนไปทางอีสานมั่งก็ปรากฏว่าไปเจอน้องน้ำน้องใหญ่แห่งหนึ่งไปถึงกำลางไปเห็นน้องน้ำใหญ่โอ้เห็นน้ำกระเพื่อมอ่ะคิดโอ้เผาเกยเยอะเนะพระฤาษีสอนเราว่าทำอะไรทำจริงๆนะนเนี่ยแต่สองคนที่วิกิทำอะไรจริงไหมทำไม่จริงทะเลาะกัน ที่สองคนก็ไปว่าทำจริงๆแล้วบอกเขาฤๅษีสอนทำอะไรทําจริงๆเนี่ยเราเรียนมาเจ็ดเดือนเนี่ยเราเอามาใช้ดูซิก็เลยเข้าไปในบ้านละแวกแถวนั้นไปขอยืมไอ้คู่ถังเข้ามา ช, า, า, าช่วยกันวิทย์น้ําวิทย์ทั้งวันปรากฏว่าน้ําแห้งช่วยกันวิทย์มึงวิทย์ทางนั้นกูวิทย์ทางนี้ทำคันกันวิทย์ไปมันน้าแห้งพอน้ําแห้งแล้วไปไงปลาที่เห็นว่าผู้พัพบผู้พัพบเนี่ย ไม่มีเลยปลาไม่มีเอ๊ะไอตอนที่เราลงมือวิดน้ําเนี่ยเหมือนรู้ปลาเยอะนะทําไมปลามันหายปลามันคงจะมุดดินหนีเหมือนนนะก็ช่วยกันขุดหาปลานื่งว่าปลาเนี่ยมันมุดดินหนีใช่ไหมก็ขุดไปขุดมาขุดไปไปเจอไหไหหนึ่งที่ก้นไอ้ก้นบวกที่สะเนี่ยก็ขุดไหขึ้นมาปลาก็พอเปิดรู้จักไ ห, ห่มาไห่ซองเคยเห็นไหมไอปากมันเล็ก กลุ่มใหญ่ใหญ่ใช่ไหมก็เปิดออกมาทองคําเต็มเลยคนสมัยนั้นก่อนที่เขาจะตายจะอะไรเขาคงจะมันเกิดศึกสงครามเขาคงจะไปฝังไว้อะไปฝังที่หนีข่าศึกเตียโอ้โหทองคําเต็มไหลยทําทำไงเนี่ยถ้าจะบอกไปบอกอ่าดีแล้วก็ใกล้จะคําแล้วใช่ไหมก็เลยพากันถามถามหายทองคําไป ทีนี้มันก็ค่าแล้วอ่ะเห็นไฟมีมีมิมมมมก็แวะเข้าไปก็ท่อมสองตายายอาศัยอยู่ก็ท่อมหลังนั้น <c oughs> บอกอา้าวถ้าใครอยู่บ้านนี่อ้าวตายายอยู่ที่นี่ผมสองคนเนี่ยขอพักอาศัยสักคืนได้ไหมได้แล้วของผมหนักผมฝากไว้ข้างล่างอะอะไรล่ะอ๋อจะบอกว่าหายทองคํานี่ก็กลัวว่าสองตายา ย, ายนี่รู้ใช่ไหมเลยบอกว่าอะไรหายปลาราขาฝากหายปลา้าไว้ข้างล่างเนี่ยว่างั้น เอไม่ไปแล้วไว้ตรงนั้นแหละปลาละไม่มีใครเอาหรอกก็ขึ้นไปนอนข้างบนสองคนน่ะวิดน้ำมาทั้งวันก็ไปไงเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยก็นอนหลับเป็นตายเลยสองตาใหญ่ตื่นขึ้นมาทัางคืนได้ยินเสียงเด็กสองคนกวนจอทอดๆเดี๋กเอมันบอกว่าเอาไหปลาละมาฝากไหปลาละทั้งไหม่มหาแบบมาทำมาหามาทําไม มันคงไม่ใช่นะาเราไปดูไหมก็เลยใกล้ไฟลงไปดูปรากฏเปิดหดูไปไงเจอทองคำทองหเลยก็เลยขนเอาทองคำาไปไปซ่อนฝังไวอ้อแห่งนี้แล้วก็โดยสองตายายรีบเข้าไปในบ้านไปหาซื้อปลามาใส่แทนเต็มไหายเหมือนกันเสร็จแล้วขึ้นไปนอนนะเขาตื่นเช้าขึ้นมากินข้าวกินปลารหลเสร็จสองคนนี้ก็เดินทางจะเดินทางต่อ ก็จะหาม่หายเปิดไหปรากฏว่าเป็นไงเจอปลาราทั้งไหเลยก็โวยวายขึ้นดิโวยวายก็เอา้าเนี่ยทำไมไอ้ทองคําบุญหายไปไหนเอาทองคําที่ไหนไอ้แกเมื่อคืนพวกแก ม, มานี้ก็บอกว่าหาอะไรไหายปลาก็ปลาราทั้งหายเก็อบอทองคำได้ไงไอ้ขี้โกงนี่จะมาว่าไหายปลาราจะเป็นไหทองคําได้ไงอันนี้โทษของอะไรโทษของการมุสาผีสีน่ะเห็นไหมผีสินข้อเดียวเดือดร้อนเลย ก็เลยปรากฏว่าทําไงได้จอนมาฝากก็าหายปะลาร้าก็ตรงนี้ก็หายปะลาราจริงๆอ่ะไอ้สองตายหญ เ, หเขาก็เอาล้เราชนะแล้วทีนี้ก็เลยเอาละสองคนนี้ก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่บ้านในบ้านนั้นนะเราเนี่ยพ่อผู้ใหญ่ช่วยทีดิผมนี่นะพากันไปเรียนวิชาเล่าทั้งหมดอ่ะจนมาถึงตรนนั้นผู้ใหญ่ก็เห็นใจว่าไอ้สองคนนี้ต้องถูกโกงแน่เพราะเรื่องมันถูก ผูกเปลี่ยนของก็เลยผู้ใหญ่เลยมาสอบสวนแตายายนี่ยเก็เอาเขาก็ยืนยันเขาคือมีพยานน่ะทําไงในที่สุดพากันผู้ใหญ่ก็ตัดสินไม่ได้ไปหาในอำเภอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยพวกก็ตัดสินไม่ได้ไปหาจังหวัดจังหวัดก็ตัดสินไม่ได้เลยไปหาพระราชา <c oughs> เอาพระราชาฟังแล้วก็งงเอาละทีนี้ พระราชาเขก็มีคนฉลาดไปที่ปรึกษาใช่ไหมเขาก็อ่ะเรียบมหาปุโรหิตออกมาปรึกษาเรื่องนี้เป็นยังไงมหาปุโรหิตทําไงก็เอาละว่าใครจะเป็นเจ้าของไหายนี้เป็นทองคําหรือเป็นปะลาร้ากันแน่เราจะรู้ว่างั้นจาให้ดีนะมหาอุปราชคนนี้ก็เอาเอาของเก่ามาใบหนึ่งของนึกถึง ไอกองอะกองเม่เรานึกถึงกองไหมไอกองใหญ่ๆ่อะไอข้างในมันกลวงใช่ไหมเขาก็เอาผ้ามาหุ้มหัวหุ ม, หมท้ายบอกว่าให้คนไหนเป็นเจ้าของทองคำหรือปะลาราจริงเนี่ยถ้าหามกองรอบพระนครสองคนที่หามกองถ้ารอบมารอบหนึ่งโดยที่ไม่หยุดเลยนะถือว่าเป็น เจ้าของจิงกองมันหนักใช่ไหมทีนี้สองตายายไอหนุ่มสองหนุ่มนี่หามก่อนก็หามไปเขาเอาผ้าปิดเนะี่ยผ้าปิดหัวทายหามไปแล้วก็คุยกันสองหนุ่มก็คุยกันเนี่ยเราไปคือคุยกันแต่ได้ออกจากบ้านเลยว่าไปอยู่กับผู้ลี้ศรทำอะไรบ้างอยู่กับใครแล้วก็ออกมาแล้วจะพิสูจน์คาถาอย่างไรแล้วก็ วิทย์นาำอย่างไรได้เจออะไรแล้วมาฝากสองตายายแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดคุยกันไปจนรอบเรื่องจะจบพระนคะรก็ใหญ่ะน ะ, ะเสร็จแล้วก็พูดจนน้ำไหลไฟดับนะเรื่องอีกที่หนึ่งนะยังไม่คล้องถ้าคล้องลั่นอะไรจึงจะจบเสร็จแล้วเป็นไงเรื่องกําลังสนุกนะเสร็จแล้วปรากฏว่าคนที่อยู่ในกรองเนี่ยนะในกรองนะั้นมันมีคนพอรอบเสร็จแล้วเอารอบ แต่ว่าไอ้ก่อนที่เขาจะไอ่เปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สองตยายเห็นรอบจบแล้วอ้าวต่อไปสองตายายหามสองตายายก็หามรอบไปรอบไปก็สองตายายก็คุยกันอีกคุยกันว่าเราได้ทองคำไหมเราจะเอาทองคําไปไว้ไหนคุยกันไปเนเอาทองคําไปไว้ที่ไหนดีเพราะไอเราเอามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสืบไม่มีทางชนะเราแน่สองตายายก็คุยกันไปที่เนื่องจากเป็นคนแก่แต่กองมันหนักไปไง คุยไปคุยมาโอ้ไม่ไหวหนักเดี๋ยวพักก่อนพวกนั่นนะก็พักลงก็เดินทางต่อเสร็จแล้วพระราชาเชิญทั้งหมดทั้งสี่คนน่ะทั้งสองตายาสองหนุ่มเข้าลงตัดสินแล้วเอาย ก, กลองไปตั้งที่สูงแล้วก็เปิดผ้าออกจากกลองปรากฏว่าในกลองมีอะไรอยู่มีคนอยู่คนที่จดบันทึกทุกคำเลยว่าคนที่หามไปเนี่ยพูดอะไรบ้างคนนั้นก็เอา บันทึกมาอ่านพอบันทึกมาอ่านปั๊บเป็นไงแฉความจริงออกมาหมดว่าเรื่องสองคนนี้คุยกันว่าไงสองคนนี้คนไหนหามแล้วไปอยู่ตรงไหนบ้างแชร์มาหมดก็พระราชาเป็ไงตัดสินโป๊ะลงไนสองหนุ่มนี้เป็นเจ้าของทองคําแล้วทองคําไปซ่อนไว้ไหนสองแตยานี่พูดออกมาหมดเลยเพราะในขณะที่เขาคุยกันเนี่ยคนข้างในบันทึกเอาไว้เอาไปซ่อนไว้ตรงไหนนี้คือวิธีการอันชาญฉลาดของ พรายชานะดังนั้นเราจะเห็นว่าการทําอะไรทําจริงๆนันเนี่ยถ้าสมมติเราสองหนุม่มนี่วิทปลาไปแล้วไม่ไม่เจอปลาเนี่ยวิทน้ำไปแล้วไม่เจอปลาเนี่ยเป็นไงถอยใช่ไหมนี่แสดงไม่จริงแล้วอันนี้ทําอะไรจำจริงๆเนี่ะพอไม่เจอปลาก็ขุดต่อเลยขุดสะต่อพอได้ทองคํา ม, มาแล้ว เจอปัญหาเรื่องไปพูดผิดนี่เดียวก็สู้ต่อนะสู้ศาลที่หนึ่งไม่ชนะศาลที่สองศาลที่สามจนไปถึงศาลพระลาชาพอสู้ต่อพระราชาให้ทําอะไรก็ทําตามนี่สู้ถึงที่สุดเพราะนักคนทําอะไรคนจริงๆเนี่ยจะไม่ถอยแล้วสู้ถึงที่สุดในที่สุดก็ชนะแล้วก็กลับบ้านร่ํารวยเป็นเศรษฐีเลยทีนี้นี่คาถาแค่เจ็ดตัวเรียนอยู่เจดเดือนไม่ต้องเรียนอะไรมากแต่ทําเรื่องนั้นจริงๆ แต่คนทุกวันนี้เรียนมากแต่ทำไม่จริงเป็นไงจบมาเยอะแยะไม่มีงานทำนะมีเงินเยอะแยะทำอะไรไม่ได้เพราะทำอะไรทำเล่นๆไม่ทำจริงตัวนั้นพวกเราไปทีนี้ต้องทำอะไรจริงๆนะนะทำอะไรจริงๆทาให้จริงที่สุดแต่ทำดีนะทาจริงๆอะ่ะไม่ใช่ทำไม่ดีต้องสู้ในการศึกษานะทำอะไรจริงๆดังนั้นในช่วงเช้าวันนี้นะหลวงพ่อนำเรื่องนี้มากล่าวก็เพื่อให้เป็นกําลังใจแก่คนมาบวช หลวงพ่อไม่มีโอกาสได้แวะเวียนมาอบรมไม่มีโอกาสแวะเวียนมาให้อว่าดก็จะถ้ามีโอกาสก็กจะว่างแว้บหนอ่อยพวงองานเยอะก็ขออนุโมทนาสาธุแก่สามเณรใหม่ทุกคนที่ได้มาฝึกฝนมาอบรมเพื่อที่จะให้เราได้ทําอะไรทําจริงๆ จ, จ, จนได้ประสบผลสําเร็จทั้งทางโลกทางธรรมได้ทั้งโภกทรัพย์และได้ทางอริยสัพย์ด้วยกันทุกคนทุกท่านที